ตอนมงคลสองสายเป็นอันว่าปัญหาเรื่องมงคลได้มีคำตอบออกมาจากคนสองฝ่ายคือฝ่ายคณาจารย์เจ้าลัทธิต่างๆซึ่งถกเถียงกันอยู่นานถึงส2องปีนั่นทางหนึ่งและอีกทางหนึ่งเป็นคำตอบจากพระพุทธเจ้าที่ทรงตอบแก่ผู้นำปัญหานี้เข้าไปทูลถามเนื่องจากคำตอบของคณาจารย์ทั้งหลาย ได้มาจากการค้นคิดคือคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็นำมาแสดงแก่ประชาชนเพราะฉะนั้นมงคลตามคําสอนของเจ้าลทัทธิทั้งหลายข้าพเจ้าขอเรียกว่ามงคลของนักคิดส่วนมงคลที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นผลของการตรัสรู้ฉะนั้นขอเรียกว่ามงคลของพระผู้ตรัสรู้ เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจระหว่างข้าพเจ้ากับท่านผู้อ่านต่อไปมงคลทั้งสองสายได้เกิดผัวพันกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้จริงอยู่ปัญหาพิพาทเรื่องมงคลซึ่งเรื้อรังมาเป็นเวลานานนั้นได้สิ้นสุดยุติลงเมื่อพระพุทธเจ้าได้แสดงหลักมงคลทางพุทธศาสนาแล้วแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า พระองค์ได้ลบล้างความคิดความเห็นของขณาจารย์ทั้งหลายและทำให้หันมานับถือตามที่พระองค์แสดงหาไม่ได้เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าแกอะไรในโลกนี้ที่จะยากเท่าแก้ทิฏฐิของนักปรารถเป็นไม่มีแล้วขณาจารย์เหล่านั้นแต่ละคนล้วนเป็นเจ้าทิฏฐิมานะทั้งนั้นลงได้ว่าแล้วเมินซิเสถ่ที่จะถอนคา แม้จะรู้ตัวว่าผิดเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ยังยืนยันวาทะของตนอยู่และสานุสิทธิ์ของแต่ละสำนักก็ยังทําการเผยแผ่อยู่อย่างไม่หยุดยัง้งและก็ยังมีผู้ยอมรับนับถือปฏิบัติสืบต่อกันมาประกอบกับนิสัยของมนุษย์เรามีความขาดประจําสัญดาณอยู่แล้วชอบทําอะไรเผื่อเหนียวเข้าไว คนคนเดียวจึงถือมองคลสองทางสาทางสับสนปนเปกันใหญ่ต้นไม้ถ้ามันต่างชื่อและต่างพันแม้ว่ามันจะเกิดอยู่ใกล้ชิดติดกันการที่เราจะเลือกเก็บก็ไม่ยากนักแต่ถ้าต้นไม้ชื่อเดียวกันพันเดียวกันเพียงต่างรสแล้วยังแถมเกิดอยู่ติดกันด้วยการที่เราจะเลือกก็ยากเข้า ไม่ใครก็ใครต้องคว้าผิดเขาบ้างเรื่องมงคล น, นี้ก็เหมือนกันกันกบต้นไม้ชื่อเดียวกันเกิดอยู่ติดกันเพียงต่างชนิดเท่านั้นคนทั้งหลายจึงหยิบผิดหยิบถูกคือมงคลมีทั้งของนักคิดมีทั้งของพระผู้ตรัสรู้เกิดขึ้นในถิ่นเดียวกันยุคเดียวกันและในชุมนุมเดียวกันด้วย ฉะนั้นจึงปรากฏว่าชาวพุตแท้ๆบางคนได้ถือมงคลปนเปกันตั้งหลายอย่างจนดูไม่ได้ก็มีลำพังคนคนเดียวก็ปนกันพอดูอยู่แล้วถ้าคนหลายคนเกิดไปทำงานอย่างเดียวกันเข้าความคิดความเห็นและการปฏิบัติก็ยิ่งปนกันใหญ่ถึงกับยุ่งยากก่อความปวดเสียงเวียนกล้าวแก่ผู้ปฏิบัติก็มี ยกตัวอย่างในงานมงคลสมรส ถ, ถ้าเจ้าบา่าวเจ้าสาวเป็นลูกคนใหญ่คนโตพ่อแม่เป็นคนมีอำนาจวาสนาพอถึงคราวแต่งงานลูกสาวลูกชายคนทั้งหลายก็จะเสนอตัวเป็นผู้รอบรู้ทางพิธีการงานล ะ, ละหลายๆคนขอโทษเถอะข้าพเจ้าสังเกตดูส่วนมากเป็นผู้สูงอายุบางทีข้าพเจ้าเองแหละ ได้รับการขอให้ไปดูพิธีหรือที่พูดกันว่าเป็นเจ้าพิธีตามปกติคนที่เป็นเจ้าพิธีนั้นถ้าเป็นพิธีทางราชการก็ปฏิบัติการได้เด็ดขาดไม่มีใครสอดแทรกแต่ถ้าเป็นพิธีเอกชนโดยเฉพาะงานแต่งงานของลูกคนใหญ่คนโตอย่างที่ว่านั้นเจ้าพิธีต้องปวดเสียนเป็นอันมาก เพราะมีผู้รอบรู้พิธีการมากเหลือเกินมากันแต่ละคนก็ถือคมพีคนละเล่มปนเปนกันใหญ่ที่มันปนกันมากที่สุดก็คือบาดน้ามนต์ปนกันจนไม่เป็นท่าเลยตั้งบาดใส่น้าไว้แล้วเดิมทีก็น้าใสสะอาดธรรมดาธรรมดานี่เองคอยเวลาให้พระมาสวดมนต์หยดเทียนทําพิธี แต่สักประเดี๋ยวจะปรากฏว่ามีผู้แทนของเจ้าลัทธิต่างๆค่อยๆทยอยกันมาแล้วก็เสนอเชิงสั่งให้เติมโน่นเติมนี่จิปะถะใบมัตูมใส่หรือยังคะผู้แทนเจ้าลัทธิท่านหนึ่งมาตรวจไม่ได้ใส่ครับจ้าพิธีตอบไม่ได้แล้วค่ะน้ำมนต์แต่งงานต้องใส่ใบมะตูมด้วยสิ เจ้าเป่าเจ้าสาวจะได้มีเกียรติโ ด, ด่งดังสั่งการพลางมองเจ้าพิธีตกลงใบตูมหนึ่งกำมือก็ถูกบรรจุลงในบาตรน้ำมนต์ีฉันเอาใบส้มปล่อยมาให้ใส่ในบาตรน้ำมนต์สิคะเจ้าเป่าเจ้าสาวจะได้หมดเคราะห์หมดกรรมลูกศิษย์เจ้าลทัทธิอีกคนมาเพิ่มเติมมงคล ตกลงใส่ใบส้มปล่อยอีกหนึ่งกำมือนี่ใบเงินใบทองใบนาคไม่เห็นมีผู้ชนานาญการอีกหนึ่งท่านชะโงกดูในบาทแล้วทักทวงใครนะเป็นคนจัดบาทน้ำมนชักจะเอาเรื่องตกลงใบเงินใบทองใบนาคลงไปม้วนอยู่ในบาทอีกหนึ่งกำมือนี่ค่ะ เบนจ์จมงคลผิวมะกรูดขมิ้นชันยาแพรกใบมะขามฝักราชพึกว่าแล้วลูกศิษย์เจ้าละทีผู้นั้นก็หย่อนมงคลของเขาลงในบาตดังป๋อมแป๋มพระางอธิบายว่าคู่สมรสจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสิ่งที่เรียกว่าเบนจ์มงคลของคณาจารย์อีกหนึ่งหอ่อ ก็ลงไปเพิ่มในบาทนั้นท่านให้เอาของนี่มาใส่บาทค่ะแหม่เกือบลืมดอกรักดาวเรืองและบานไม่รู้โรยอีกหนึ่งกำมือก็ลงไปรวมอยู่ในบาทใบนั้นเพียงเท่านี้ท่านผู้อ่านลองนึกวาดภาพดูสิว่าเมื่อของทั้งหมดนี้ลงไปแช่อยู่ในบาทไปเดียวกันตั้งแต่เย็นวันศุกร์ดิบ จนกว่าจะถึงเวลารดน้ำเบ่าสาวบ่ายวันรุ่งขึ้นน้ำในบาดนั้นที่เรียกว่าน้ำมนจะมีรูปรสกลิ่นสีเป็นประการใดเท่าที่ข้าพเจ้าเห็นมาแล้วน้ำมนบางงานน้ำสีขาวมัวมัวเมนอั บ, อบเหมือนน้ำตาลเมาบางรายสีค่อนข้างข้นกลิ่นแรงไปทางใบมะกรูด ดูๆก็เหมือนน้ำต้มโคลงปลากรอบแย่จริงๆบางท่านจะนึกว่าก็แล้วเจ้าพิธีไปนั่งสปปงกอยู่ที่ไหนอยู่นั่นแหละเฝ้าบาทอยู่นั่นแหละแต่ตอนนั้นเจ้าพิธีก็จนใจเรียนมากี่ประโยชน์ประโยชน์ก็ต้องยอมพับประกาศนิยบัตรใส่กระเป๋าไว้ก่อนเพราะผู้แทนเจ้าลัทธิเหล่านั้น ก็ล้วนแต่มีสิ่งเดียวกันกับที่เจ้าลทัทธิสมัยก่อนมีกันทั้งนั้นคือมีทิฏฐิมานะเรื่องแก้ทิฏฐิมานะนั้นอย่าว่าแต่คนชั้นมหาปรียาเลยแม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงปล่อยไปไม่น้อยตกลงน้ำมนต์ก็เลยกลายเป็นน้ำดองเครื่องสมุนไพรไปเจ้าพิธีจะช่วยเจ้าเบา่าเจ้าสาวได้อีกทีก็คือ คอยเตือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเวลารดน้ําแล้วว่าอย่าลืมล้างมือฟอกสบู่เสียด้วยประเดี๋ยวหิบจะขึ้นเท่านั้นเองแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าไหนเป็นมงคลของนักคิดไหนเป็นมงคลของพระผู้ตรัสรู้ข้อสังเกตที่ง่ายที่สุดก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นมงคลนั่นเองมงคลของนักคิดส่วนมากเอาวัตถุเป็นเกณฑ์ คือถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นมงคลถ้าใครมีสิ่งนั้นไว้กับตัวก็ถือว่าเป็นคนมีมงคลส่วนมงคลของพระผู้ตรัสรู้ไม่เกี่ยวกับวัตถุแต่ถือการปฏิบัติคือถือว่าการกระทำอย่างนั้นๆเป็นมงคลใครอยากมีมงคลก็ต้องทำเอาที่ว่าทำก็คือปฏิบัติฝึกฝนตนเอง ตามข้อมงคลนนั้นจริงๆไม่ใช่เพียงเสกเอาสักเอาถ้าจะเปรียบกันระหว่างมงคลสองสายมงคลนนักคิดเท่ากับสอนว่าถ้าใครมีกระดาษดินสอมีชอ็อกมีกระดานดำก็ถือว่ามีความรู้แล้วแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามีของเหล่านั้นไว้เฉยๆความรู้จะเกิดขึ้นอย่างไม่ได้ จึงส่งสอนให้หัดอ่านหัดเขียนแล้วทรงสันเสริญการอ่านการเขียนโน้นเมื่อเทียบกันอย่างนี้ข้าพเจ้าจึงใช้คำเรียกมงคลสองสายนี้อย่างสั้นๆง่ายๆแต่ตรงทางปฏิบัติก็คือมงคล น, นักคิดเรียกว่ามงคลมีมงคลพระผู้ตรัสรู้เรียกว่ามงคลธรรม คือพวกนักคิดสอนเพียงว่าให้มีของสิ่งนั้นๆไว้ก็เป็นมงคลแต่พระพุทธองค์สอนให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นจึงจะมีมงคลเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ข้อคิดแจ่ากระจ่างในระหว่างมงคลสองสายเชิญอ่านและตรวจดูมงคลสองสายต่อไปนี้เปรียบเทียบมงคลสองสาย ตารางข้างซ้ายมงคลมีคือมงคลของเจ้าและที่ต่างๆตัวอย่างยาแพร์ยาคาใบส้มปล่อยใบเงินใบทองใบนาคใบมยมใบราชพฤกษ์ไม้มะขามไม้ขนุนไม้กัญชาไม้พยุงไม้ไผ่สีสุกเปลือกหอยสัง ได้มงคลมูลโคสดโคนมและอื่นๆตลอดจนสิ่งที่คนถือว่าเป็นมงคลอื่นๆอีกมากและในโอกาสเดียวกันก็มีการถือว่าของชนิดนั้นชนิดนี้เป็นอัปมงคลเสนียดจันไรต่างๆด้วยตรรางข้างขวามงคลธรรมคือมงคลในพุทธศาสนาหนึ่ง การไม่คบคนผ่าน 2. การครบบัณฑิต 3. การบูชาผู้ควรบูชา 4. การอยู่ในปฏิรูปประเทศ 5. บุญวัสนา 6. ตั้งตัวถูก 7. ความคงแก่เรียน 8. มีศิลปะ 9. มีวินัยดี 10. วาจาสุภาษิต11บำรุงมันดาบิดา12สงเคราะห์บุตร13สงเคราะห์ภรรยา14ทำงานไม่ข้าง้าง15ทาน16ทำมาจริยา17สงเคราะห์ญาติ18ทำงานไม่มีโทษ19 งดเว้นการทำบาป20สำรวมจากการดื่มน้ำเมา21ไม่ประมาทในธรรม22มีความเครพ23มีความถ่อตน24สันโดษ25กตันยู26ฟังธรรมตามการ27อดทน28 ว่าง่ายสอนง่ายยี่สิบเกาการพบปะสมณะสามสิบสนทนาธรรมสาสิ 31. บเอ็ดบเพนตบะสาสิบสองประพฤติพรมจรรมันทร์สาสิสาการเห็นอริยสัจสามสิบสี่การทำให้แจ้งพระนิพพานส5สิบห้าจิตไม่หวั่นไหว ส6สหจิตไม่โศกเศร้าสาสิบเจดจิตไม่กำหนัดส8สจิตเกษมโปรดสังเกตว่ามงคลของนักคิดถือวัตถุต่างๆว่าเป็นของมงคลถ้าใครมีสิ่งนั้นไว้แล้วเป็นอันมีมงคลทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาจะทำงานมงคลต่างๆ จึงต้องวิ่งหากันเช่นงานแต่งงานต้องมีสังมีมงคลแฝดเป็นต้นมีไว้เองไม่ได้ก็ต้องยืมทุกวันนี้มีผู้จัดบริการให้เช่าด้วยคนเช่าก็ยอมเพราะอยากได้มงคลข้อสังเกตอีกอย่างคือมงคลของนักคิดมีจำนวนไม่แน่นอน เรื่องของความคิดเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคิดไม่หยุดมันก็เลยมากเรื่องยิ่งคนหลายคนก็ยิ่งหลายความคิดการคิดเอาก็คือเดาเอานั่นเองเมื่อต่างคนต่างเดาผลของการเดาก็ต่างๆกันไม่เหมือนกับการเห็นเองผู้เห็นเองย่อมรู้แน่นอนคงรูปคงจำนวน ราชากความโลเลอย่างเช่นเราจะตั้งปัญหาธาตุพนมรูปร่างเป็นอย่างไรให้คนเขียนคำตอบโดยวาดรูปมาดูถ้าคนตอบไม่เคยรู้เคยเห็นธาตุพนมเลยร้อยคนเขียนก็จะได้รูปต่างๆกันร้อยอย่างแต่ถ้าใครเคยเห็นเขียนถูกตามความจริงเสียแล้วก็แน่นอน มีอะไรกี่อย่างกี่อย่างอยู่ใกล้เคียงธาตุพนมก็มีจำนวนสัดส่วนคงที่เพราะของจริงมีเท่านั้นเช่นเดียวกันปัญหาเรื่องมงคลมีข้อเดียวแต่คำตอบของนักคิดกลับมีมากมายจนนับจำนวนแน่นอนไม่ได้ส่วนพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งสัจธรรมด้วยพระองค์เองมงคลของพระองค์เป็นสัจธรรมจึงนับจำนวนได้คงที่ 38มดมงคลเท่านั้น